ที่ช่วยคุณผู้ฟังคิดบวกแล้วก็สามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะดิฉันทีรวรดียิ่งมีนะคะแล้วก็รุ่งยุ้ยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทพงษ์ชูไทยอาจารย์ประจำภาคจิตวิทยาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสวัสดีค่ะรุ่งยุย้ยสวัสดีครับน้องตีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้ยครับผมค่ะ ก็สัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์แรกของเดือนสิงหางคมนะคะลุงครับผมเผอป๊บ๊บหนึ่งเดือนที่8แล้วโอ้โหเดือนที่8ดแล้วเนอะเมื่อคราวกอเรายังพูดถึงเดือนที่7จ็เป็นอยู่เลย <c oughs> ที่8แล้วอะ่ะค่ะว่าเราจะใช้ชีวิตเครื่องปีหลังอย่างไรนะคะครับดได้ครับเดือนนี้ก็ มีวันสําคัญนะคะก็เป็นวันแม่แต่เดี๋ยวถ้าฟังรายการของเราเนี่ยเราก็จะมีความรักในรูปแบบของคุณลูกคุณแม่มาพูดคุยคุณผู้ฟังฟังนะคะวัอาทิตย์ต่อไปเนาะอืมเดี๋ยวใกล้ๆถึงวันก่อนนะคะใกล้ใลแล้วค่ะแล้วคอยว่าฟังเราทั้งสองคนแต่ว่าสัปดาห์นี้ค่ะลุงเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยเป็นเรื่องของการมองดูมันง่ายนะคะอือ มุมมองของแต่ละคนใช่การมองแต่ละเรื่องการมองอดีตมองปัจจุบันมองอนาคตมองเรื่องราวมองคนอื่นเห็นไหมคะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะมากมุมมองมีผลต่อการใช้ชีวิตอย่างไรวันนี้ฟังเราทั้งสองคนนะคะครับผมคนเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบไหนก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนนะคะคนที่เขามองโรคในแง่ดีเนี่ยบางทีเขาก็มีความสุขคลุงทั้งที่เรื่องมันก็ค่อนข้างเครียดตัวเองเจอปัญหาปุ๊บ บางคนเขาบอกว่าเรื่องใหญ่มากถ้ามองโลกที่มันแง่รายสําหรับคนที่มองโลกในแง่นี้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรมันก็ต้องผ่านไปได้อะไรฟาดเคราะแค่นี้เองไม่เจออะไรหนักกว่านี้ก็นี้ละเห็นไหมคะแต่ละคนเราเรื่องที่จะมองแล้วชีวิตเราจะสุขหรือจะทุกข์เนี่ยก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนนะคะถูกต้องครับลุงเคยได้ยินคําว่ามองร่างเราเหลือมองเหนือเราขาดไหยคะลุงยุ้คิดยังไงกับคําพูดนี้คะ เคยยินครับเพราะว่าไอ้มองล่างหรือมองต่ําเราเหลือมองเหลือเราขาดเนี่ยมันก็คือการที่ทําให้เรารู้จักตัวเราเองว่าเราอยู่ถ้าเขาพูดอย่างเงี้ยเราอยู่ตรงกลางถูกไหมถ้ามองล่างเราเหลือแปลว่าเราดีกว่าเขานิดหนึ่ง <isas> คือมองคนที่เขาต่ํากว่าเราอมองคนที่เขาบากกว่ า, าเราเราจะรู้สึกว่าเราือเราขาดอ่ะก็มองอยู่ตาแบบ ทำไมไม่ดีอย่างเขาทำไมเขามีมากกว่าเราทุกอย่างอยากได้อยากมีอยากเป็นเราก็จะขาดทุกอย่างแล้วก็ไขวยคว้าที่จะแหลกได้นผู้ฟังทั้งหลายแหลกก็สามารถคิดได้ครับว่าถ้าเรามองล่างเนี่ยเรารู้สึกยังไงมองสูงเนี่ยเรารู้หรือมองเหนือเนี่ยเรารู้สึกยังไงไหมครับค่ะแล้วคนเราเนี่ยจะสุขหรือทุกเนี่ยอย่างที่เราบอกเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองมันเกี่ยวข้องกันใช่ไหมคะหรือว่าอยู่ที่ใจคะลุง <c oughs> เขาบอกทุกอย่างอยู่<บ>ที่ใจมันมันทุกอย่างอยู่ที่ใจจริงครับแต่ว่าลุง <c oughs> ม, มองก็เป็นองคอ์ประกอบลุงอยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนิดนึงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ <c oughs> นะครับลุงไปไปที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็ไปเลี้ยงอาหารเด็กๆ <c oughs> มีเด็กอยู่หกสิบหกสิบเจ็ดหกสิบแปดคนนะครับเลี้ยงอาหารตอนกงวันน้องทีเชื่อไหมว่าลุงมองที่เรามองอ่ะน้องทีมองเด็กตาบอดว่ายังไง ถ้ามองว่าเขาน่าสงสารอย่างเงี้ยนะคะคือไม่ต้องไปมองตรงนั้นเลยอันนี้ลุงบอกเลยคือทียังไม่ได้เข้าไปสัมผัสอย่างลุงอ่ะแต่แต่คนบางคนเนี่ยบางถ้าเราจิตใจเราอาจจะคิดว่าน่าสงสารแต่ถ้ามุมที่เราไปสัมผัสเราจะรู้สึกว่าเขาเก่งจังเลยเขาขาดตรงนั้นแต่เขาทําอะไรได้หมดทุกอย่างเลยมุมต้องไม่ผิดเลยที่จะบอกว่าวุ้ยน่าสงสารจังเลยเดี๋ยวเราจะไปจูงเขามากินข้าไม่ใช่เลยจ้ะเขาวิ่งมาหาเราแล้วเขาก็ เขาเห็นนิดนี้นะครับใช้ความนิดนี้ของเขาเนี่ยที่มาหาเราแล้วก็รูปคํำตัวเราผู้ชายใช่หไมหมเนี่ยหรือผู้หญิงไม่ข้าอะไรเงี้ยเขาน่ารักมากแล้วเขาเขามีโลกของเขาแล้วเขาไม่กลัวหกล้มอะไรเลยเขาวิ่งเร็วมาก อ, ะอ่ะบางทีเขาตอนน้นนี่ก็เป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่มองผิดมองเปลี่ยนไปเลย คือบางทีเราสงสารเขานี่แหละแต่ว่าอย่างที่รุงบอกว่าเขาก็ไม่ได้อยากให้มองเขาด้วยความสงสารอยากให้รู้สึกว่าเขาเป็นคนปกติเหมือนเราคนหนึ่งสาวมากแล้วเขาก็พยายามที่จะทำอะไรให้ได้เหมือนคนปกตินะคะช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดมองว่าเขาเป็นคนเก่งดีกว่าแล้วเอามาเป็นแรงบันดาลใจได้ค่ะคอน่ารักมากบองทีประโยคนี้ขอซื้อครับม้าว่าเขาเป็นคนเก่งเครอะครคนที่ อาจจะด้อยกว่าเราหรือเลยก็แล้วแต่แต่มองว่าเขาเป็นคนเก่งเนี่ยคุณจะรู้สึกภูมิใจแทนเด็กเหล่านั้นคือเขามีไม่เท่าเรานะคะแต่เขาทําได้เหมือนเราอ่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องอดทนใช้ความพยายามหนักแค่ไหนกว่าจะทําได้เท่าคนปกตินะคะก็ชื่นชมค่ะลุงแล้วที่เขาบอกว่ามันอยู่ที่ใจนะคะที่มันอยู่ที่ใจก็ใช่กับตรงที่บอกว่า ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่พอคุณมองตัวคุณแบบนี้มองคนเหนือกว่ามองคนต่ำกว่าแล้วใจคุณรู้สึกอย่างไร<ะ>อันนี้แหละคือคำว่ามันอยู่ที่ใจถ้าใจคุณคือคาดอยากที่จะทำให้มันได้เท่าเขาหรือมากกว่าเขาในคน<ะ>ที่เก่งกว่าเราเนี่ยเราก็ต้องเหนื่อยหน่อยเนี่ยต้องพยายามแอคทีฟอยู่ตลอดเวลานะถ้ามองที่มันเหนือกว่าเราคือ คนที่เขาเหนือกว่าเราเขาอาจจะทําทุกอย่างแบบปกตินี่ค่ะลุงก็ดําเนินชีวิตของเขาไปเขาเป็นคนปกติของเขาเองนั่นแหละแต่พอดีเราต่ํากว่าหรือเราสู้เขาไม่ได้ในทุกอย่างเราต้องใส่พลังหนักมากแล้วใจมันก็คิดตลอดเลยนะคะลุงคิดตลอดเขาต้องตามเขาให้หาวิธีการจะทํายังไงให้ได้กระจายไปให้ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับความสุขมันจะอยู่ตรงไหนนะคะมันจะมีความสุขมันมีความสุขถ้าไม่เกิดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าไม่เกิด ค่ะการที่เรามองโรคอย่างที่ควรจะเป็นลงมันก็เหมือนอยู่ที่ใจเหมือนกันนะคะจะทําให้รเราใช้ชีวิตได้ ง, ง่ายขึ้นไหมคะฝนมันตกรถมันติดเออแต่มันก็ออแต่มันก็ติดแบบนี้แหละแล้วหน้านี้มันก็หน้าฝนฝนมันก็ติดรถมันก็ติดแบบนี้ตลอดทั้งปี เนี่ยแล้วเนี่ยที่น้องทีพูดเนี่ยที่ทลุงพูดอยู่เนี่ยถ้าท่านูฟังเข้าใจเราเนี่ยนะครับแล้วเราคิดว่าถ้ารู้ฟังฟังเรามานานมาลุมกันแล้วคงเข้าใจแล้วแหละว่านี่ไงมันเป็นธรรมชาติไงมันเป็นปกติไอ้วันไหนก็ต้องตกไหมคะลุงใช่ใช่วันไหนฝนไม่ตกสิเราถือว่ามันเป็นโบนัสเราดีใจให้มันสุดๆเลยแต่ถ้าฝนตกก็คือนี่ไงตกจนได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้น วิธีการคิดมุมมองใช้ชีวิตให้มันเป็นปัจจุบันเราก็จะเห็นอะไรที่มันจะต้องทำและดำเนินไปตามปกติเรานอกจากมุมมองนะคะลุงบางทีถ้าเรา<ะ>เจอเรื่องราวอะไรที่มันมาทดสอบเราทำให้เราเป็นเรื่องเดรไลฉาอะไรก็แล้วแต่ความอดทนมันมช่วยได้ไหมคะที่ทำให้เราผ่านเรื่องเหล่านี้ไปได้ ควายหมดทนช่วยได้แน่นอนนะครับอยากจะถามน้องทีเขาไม่กลายบว่าน้องทีคเคย อ, อกหักไหมล่ะเคยบ้าตงตอนสมัย <c ười> วัยรุ่น <c ười> อ่าเห็นครับคือตอนนั้นเนี่ยโอ้โหรู้สึกจะเป็นเอาไม่เอาน้องทีก็ได้หรือน้องทีหรือวัยรุ่นทั่วไปก็แล้วแต่แต่เป็นจะตายจะแย่แล้วมันไม่ไหวแล้วถ้าไม่ใช่คนนี้ฉันต้องจะพถึงจริงแล้วจุดหนึ่งมันก็ต้องเดินผ่านได้ เวลามันก็ยังไงมันก็ช่วยได้เรามีความคิดที่เป็นบวกมากขึ้นมันก็ช่วยได้อีกหน่อยนึงการยอมรับความเป็นจริงก็ช่วยได้อีกนิดนึงแต่อารมณ์ตอนนั้นบางทีถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นไงคะลุงมุมมองเขาก็จะอยู่แค่นั้นอะมุมมองความคิดเขาได้แค่นั้นการอกหักมันเลยทาให้โลกของเขามันถล่มทลายได้ครับผม แต่ก็มันก็เป็นไปได้เพราะนั้นเราไม่ได้ไปว่าเด็กเหล่านั้นหรอกแต่ว่าเราต้องชี้ให้เขาเห็นว่าความเป็นจริงมันคืออะไรนะคะพอโตขึ้นมุมมองความคิดดีขึ้นการอกหักก็จะถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องเจอพูดเหรอว่านะคะก็พักกันเบรกแรกก่อนแล้วกันนะคะลุงแล้วกลับมาต่อกับเบรกที่สองว่าเราควรจะมองชีวิตอย่างไรค่ะคุณผู้ฟัง มันคล่ำออกอย่างนี้มันเหงาทุกทีที่ได้มองใจมันหายเสียงฟ้ามันรอ้องอยาดฝนลนเป็นสายยิงวันไว้ยิงทำให้ซับซ้อนนึกถึงคนที่เคยคนที่เคยอยู่ตรงนี้นึกถึงทุกทุกทีที่เห็นฟ้าที่กว้าง จากไปเ yeah, yeah. สียดายที่วันนี้ไม่มีเธ อ, อ, อถึงรู้แก่ใจว่าคงได้แต่ฝันก็จะฝัน จิตวิทยากับครูยุย้ยกลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการจิตวิทยากับครูยุ้ยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราพูดถึงมุมมองของแต่ละคนหรือว่าการมองชีวิตก็แล้วแต่ว่ามันมีผลอย่างไรกับชีวิตทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบนะคะลุงอแล้วจริงๆแล้วเราควรจะมองชีวิตอย่างไรคะมุมมองของเราควรจะเป็นอย่างไรคะเราควรจะมองชีวิตตามสภาพที่เป็นจริงค่ะ นะครตามระภัพที่เป็นจริงคือขณะนี้ฉันเป็นประมาณนี้ค่ะนะครับก็คือประมาณนี้อย่างเช่นเอาง่ายๆตอนนี้ลุงหกสิบก็มองแบบคนหกสิบเขาควรทําอะไรก็ต้องยอมยอมรับว่าบางทีสายตาเราไม่ดีจริงๆอย่าไปโมโหแล้วว่าใช่มองอะไรสนเข็มสนได้ทำไมมองไม่ได้ทำไมไม่ได้เห็นบางคนนีหรือว่าอไอ้เน้าหน้องทีเป็นคนออกกําลังกายถูกไหมน้องทีอาจจะวิ่ง 10กิโล20กิโลเดินสบายๆลุงเดินให้มันได้เถอ5กิโลเนี่ยก็จะตายแล้วก็ต้องยอมรับว่าบางอย่างร่างกายเราก็มองอย่างที่มันควรจะเป็นนะคะมองอย่างที่มันเป็นอายุมากขึ้นร่างกายก็อ่อนแอลงสายตาก็แย่ลงก็ทำเท่าที่ทำได้จะให้ทำเหมือนหนุ่มๆสาวๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถนะคะมันไม่สามารถบอกเลยว่ามันไม่สามารถเพราะว่าองค์ประกอบต่างๆความ เกื่อนถอยอะไรส่ออะไรแม้ใจมันอยากจะทํานะในบางครั้งอะ่ะค่ะแล้วมีอีกัมกหมคะมนุ ม, มีอีกไหมคะมีอีกครับอย่างเช่นถ้าบอกว่าอันที่หนึ่งคือมอมองอยู่ที่บอกอันที่สองก็คือถ้าเรามองคนที่สูงกว่าเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องถามตัวเองอว่าคุณพร้อมที่จะพร้อมที่จะไปให้ถึงนู่นใช่ไหมแม้ว่าจะเหนื่อยค่ะถูกไหมครับ แต่เราก็จะพัฒนาเหมือนกันนะคะเราก็จะก้าวกระโดดเราก็จะขับ น, นี่ค<ำ>ือข้อที่ดีนะครับคือเราเรามีจุดมุ่งหมายเรามีเป้าหมายเดี๋ยวนี้ดูรายการอะไรเยอะแยะในในในทีวีเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าเด็กบางคนถามบอกว่าต้อง้องอยากขนาดไหนเป็นนักกีฬาผมก็คิดแค่เป็นแชมป์โลกอะครับเห็นไห ม, มครับค่ะแต่กตอนนี้แชมป์ประเทศไทยถลูแล้วนะเดี๋ยวนี้คิดแค่เป็นแชมป์โลกอ คือเขาอาจจะดูศักยภาพของตัวเขาเองแล้วว่าเขาสามารถทําได้ไดถ้าเขาฝึกฝนถ้าเขาตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะอือ ม, มีอีกไหมคะลูกเพรั้นมันมันก็เป็นมุมมองอขนาดเดียวกันถ้าเราอย่างที่บอกเรามองคนที่ต่ํากว่าได้อกว่าค่ะนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับมันก็เป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วทําให้เราภาคภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทําได้เหลือกว่าแต่เราไม่ได้ไปดูถูกเขานะค่ะนะครับเราเราเรารู้สึก ภาคภูมิใจในสิ่งที่เออแล้วเราก็ผ่านมาได้แล้วตรงนี้แล้วเรากไ็ไม่ไม่ไม่ค่อยจะเป็นปัญหากับชีวิตหลักค่ะไหครับเพราะฉะนั้นมันมองได้หลายๆรูปแบบนะคะเราเล่าเรื่องหนึ่งให้เด็กเรื่องเด็กให้ฟังเรื่องหนึ่งได้ไหมครับได้ค่ะลุงคือเด็กเขาเนี่ยตอนเนี้นะครับเด็กเขาเรียนระดับเทียนบีแล้วค่ะแล้วเขาเป็นลูกคนสุดทองค่ะมีพี่น้องสองคน แล้วลุงก็พอดีสอนในหัวข้อนี้แล้วก็ถามเขาบอกอยู่ๆเขาก็บอกว่าแต่ตอนนี้ลุงหนูกำลังจะเป็นลูกคนกลางเพราะแม่กำลังท้องน้องอีกหนึ่งคนมุมมองของเราก็แต่ยังไม่ได้บอกเขาเราก็รู้สึกเออจะบอกว่าดีใจกับเขาดีไหมวะเขาดีใจที่มีน้องไหมคะน้องทีลองทายสิ ถ้าเขามาพูดกับรุงแสดงว่าเขาไม่ได้ดีใจที่เขาจะมีน้องใช่ถูกต้องคือถ้าดีใจจ ะ, จะไม่ต้อ ง, งพูดกับใครใช่ครับค้าคุยกับลุงเสร็จแล้วเขาก็น้าตาไหลอ่ะลุงก็เลยถามว่าทาไมลาทำไม ล, า, ไมลาเป็นอย่างนั้นหนูหวงแม่หนูเคยเป็นคนสุดท้องเมุมมองของน้องก็น่ารักดีนะค ะ, ะคือคยึดติดแค่ว่าเราเคยเป็นลูกคนเล็ก เราก็อยากจะเป็นลูกคนเล็กอยู่แบบนั้นแต่ไม่คิดว่าจะมีน้องน้องน่ารักน่ารักขึ้นมาสักคนเห็นเลยละเพราะฉะนั้นพอฟังล้วก็เลยต้องคุยกับเขาอยู่พักหนึ่งอ่ะให้เขาได้รู้ว่าโดยความเป็นจริงเนี่ยคุณคุณได้ผ่านการเป็นน้องคนเล็กมายี่สิบเอ็ดปีเนาะ่ะ่ไหมครับ แล้พ่อแม่รักคุณไหมก็รักก็รักมากเลยแต่หนู่าหวงความรักที่แม่จะให้คนอื่นฟั<า> ง, <า>งแล้วก็มันบอกไม่ได้นะคะหมายถึงว่าผู้ปกครองคงจะต้องอธิบายให้เด็กเข้าใจเหมือนกันว่าใช่ครับพ่อแม่<ช>รักรลูกเท่ากันทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเล็กหรือในวันนี้หนูควรจะดีใจที่หนูเป็นน้องมาตลอดวันนี้หนูจะได้มีโอกาสเป็นพี่คนละ ได้รู้จักเสสละมีสมาชิกในท้องร่วมเข้ามาอีกคนหนึ่งมันจะสนุกก<แ>ว่าเดิมที่มีกันสองคนพี่น้องด้วยซ้ําบางทีที่พูด<ต>ได้เพราะว่าที่เป็นลูกคนเดียวไงที่อาจจะอยาไม่น้องมีพี่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาเพราะว่าลุงกําลังจะบอกงนี้ว่าถ้าน้องคนเนี้ยเขาที่คุยกับลุงเนี่ยเขาได้ฟังประโยคเมื่อกี้ที่น้องทีพูดซึ่งไม่ได้ออกจากปากลุงนะค่ะลุงบอกเลยว่าน้องเขาจะคิดได้ปะ ค น, นคิดได้ยังไงหรอดได้แบบนี้คิดได้อย่างนี้ทําให้เขาเกิดแง่คิดว่าเปลี่ยนมุมมองซิเปลี่ยนวิธีการดูซิเปลี่ยนวิธีการคิดซิแล้วเขาจะมีความสุขขึ้นหรือเปล่ากคือที่อยากให้เขานึกถึงคนให้เป็นลูกคนเดียวเหมือนกันอย่างที่นะคะ อ, อยากมีพี่มีน้องใจงสขาดมันคงสนุกเนาะมันคงมีเพื่อนเล่นมันคงปรึกษาอะไรได้มันคงจะไปไหนแล้วมีเพื่อนปรึกษากันได้เสื้อผ้าคงจะผัดกันใส่แต่ว่ามันไม่มี มมันมมขนาดเดียวกันในห้องนั้นน่ะ <c oughs> ก็มีเด็กที่เป็นลูกคนเดียวน้องทิม <c oughs> เขาเราก็รู้สึกว่าน้องเป็นลูกคนเดียวก็ไม่อะไรมากมายเขากับหน้าเสียและจะร้องไห้เหมือนกันเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเหงาว่า <c oughs> ใช่แล้ว <c oughs> ตอนเด็กๆ เ, เขาเล่นคนเดียวต่อให้พ่อแม่มาเล่นด้วยแต่ไม่เหมือนกับเพื่อนข้างบ้านที่เขามีพี่น้องมาเล่นกัน คือมันเหงามันพูดคนเดียวจะขายของเล่นขายของมันก็ต้องเป็นคนซื้อแล้วคนขายในคนคนเดียวกันน่ะมันพูดอยู่คนเดียวค่ะไม่เจอมาทั้งชีวิตเหมือนกันมันอยู่ที่มุมมองเหมือนล่ะนี่นี่เราคุยกันเล่นโดยที่ท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับแต่เราพูดเล่นจริงๆนะคะใช่เราพูดอาจจะพูดเล่นๆแต่ถ้าคุณผู้ฟังฟังเนี่ยมุมมองของทั้งทีของลุงเนี่ยมันช่วยให้คิดได้จริงๆนะคะถูกต้องครับ คำถามสุดท้ายแล้วกันคะ่ะลุงอยากให้ลุงสำหรับคนที่มีปัญหาแล้วมองชีวิตมองอยู่แต่ปัญหานะ่ะทุกวันเนี้ยว่ามันไม่ได้มีความสุขเลยเขาควรจะเริ่มเปลี่ยนมุมมองตัวเองอย่างไรคะเขาต้องเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองครับหนึ่งคือเขาต้องหาให้เจอว่าสุขแม้แต่น้อยนิดของเขามันอยู่ตรงไหนคือมันไม่มีใครที่<ช>มัน<ช>ทุกอยู่ตลอดเวลาหรอกค่ ะ, คะเอาข้อจริงถ้าเรามองไม่มีใครหรอกครับมองแค่มันมีความสุขมันไม่มีอะไรเลย คุณต้องมีรอยยิ้มแน่ๆในหนึ่งวันนะครับออืคุณลองกลับไปนึกซิว่าวันเนี้ยคุณยิ้มด้วยเหตุการณ์อะไรมาทํางานทันเวลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสุขแล้วนะคะได้กินข้าวเช้าอย่างที่เนี่ยแค่อิ่มก็มีความสุขแล้วนะคะลุงเวลาหิวขึ้นมาเนีก็พอน้องตี๋พูดย่งเงี้ยลุงนึกถึงลูกศิษย์ที่มันวิ่งกระดุยกรอบเข้ามาแล้วมันบอกว่าแล้วมันยิ้มแป้นมาเลย ใช่ยังไม่สายใช่ไหมนุ่งหนุ่มาทันหนุ่มาทันใช่ไหมครับแค่นก็มีความสุขนไม่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆคุณหาให้เจอสุขนะบัดรน้านช่ไหมอยากจะิดเท่าทีว่าอยากคิดว่าตัวเองเป็นคนมีปัญหามากที่สุดในโลกแล้วทุกคนมีปัญหาได้แล้วก็หนเดียวกัน ทุกคนก็มีความสุขได้เป็นกําลังใจให้ ก, กับผมค่ะก็ทุกเรื่องราวในชีวิตและเรื่องเล็กๆน้อยเก็บรายละเอียดมาเป็นความสุขของเราได้นะคะอย่าไปตั้งความหวังไปใหญ่โตเลยเราต้องทําให้ได้มันถึงจะมีความสุขอย่างเช่นต้องซื้อซือ้อหวยอย่างเงี้ยลุงถ้าถูกถึงจะมีความสุขทั้งๆที่เปอร์เซ็นต์การถูกมันน้อยมากมันน้อย่า ง, งมั น, ม น, นมไม่ถูกไปตลอดชีวิตเหมือนกันนะคะบางทีครับซึ่งลอตเตอรี่หรืออะไรก็เราวแตเพราะฉะนั้นการถ้าถ้ามันไม่ถูกลอตเตอรี่อ่ะอันนี้คือพูดถึง สลากที่สนับสนุนที่ถูกต้องนะคะก็ถือว่าอ้าวผิดก็ไม่เป็นไรหรอกได้ลุ้นได้เสียงช่อได้ช่วยรัฐบาลอะไรก็คิดไปอ้วยรัฐบาลไม่ถูกเน่เป็นคนส่วนมากนะคะลุงใช่แล้วเอาลรที่เหลือเนี่ยไป ทำเป็นเปเ e อร์มาเช่อะไรทุบว่ากันไปไม่ได้หมดถ้าจะมองให้ดีแต่ถ้าถูกขึ้นมามันก็มีความสุขอีกสุขมากไปอีกโอ้โหถูกถูกมากถูกน้อยรู้สึกว่ามันโอ้โหทำไมเราโชคดีขนาดนี้เี่ก็เอามาฝากคุณผู้ฟังในเรื่องของมุมมองความคิดนะคะว่ามันมีผลต่อชีวิตประจาวันจริงๆเราสองคนก็เป็นกาลังใจให้นะคะกล้เลับเราสองคนได้ใหมค่ะ ในทุกๆวันศุกร์นะคะตีสครึ่งถึงตีหนะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังเราทั้งสองคนนะคะดิฉันธีรว ด, ดียิ่งมีค่ะลุงยืนนรพงษ์ชูทัทททยครับผมลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับรายการจิตวิทยากับครูยุ้ยสนับสนุนรายการโดยคณะกรุศาสตร์อุตสาหกรรม